จเจริญพรดูหน้ากันก่อนก็ดูแล้วก็หน้าตาเป็นคนใจบุญกันบางทีต้องดูก่อนนะท่านหน้าโดดต้องเทศแบบหนึ่งทนหน้าหน้าตาใจบุญเทศอีกแบบหนึ่ง ใจบุญเนี่ยเวลานึกถึงบุญเนี่ยนึกถึงอะไรเวลาเรานึกถึงบุญนึกถึงอะไรนึกถึงการให้ก็เป็นส่วนใหญ่เนาะเวลาจะให้ก็จะนึกถึงว่าจะให้ใครถึงจะได้บุญมากอย่างนั้นไหมวันนี้เริ่มด้วยคําถามดีกว่าชิงถามก่อนดีไหม พอดีวันนี้มีครูมาเยอะเอาเอางี้จะลองถามนะแล้วช่วยกันตอบระหว่างภาษารีบุตรระหว่างภาษารีบุตรให้ให้ทานถวายแด่พระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าให้ทานกับภาษารีบุตร อันไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันใครจะตอบน่าคิดนะน่าคิดไหมได้มีอานิสงส์มากทั้งคู่แต่มีคำตอบอยู่ว่าอันไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันเท่ากันไหมหรือเท่ากันเอามีให้สามข้ออ่าให้พราษารีบุตรถวายทานแด่พระพุทธเจ้า ข้อกเนี่ยข้อกอภาษาริบุตรถวายทานแดพพนกกออ่พระพุทธเจ้ า, า, ามีอานิสงส์มากกว่าข้อขอพระพุทธเจ้าให้ทานแก่ภาษาที่บุตรมีอานิสงส์มากกว่าข้อคอเท่ากันมีอานิสงส์เท่ากั น, น, กนข้ององงอา้าวใครข้องอ้อาวจะตอบไหม ก็ไก่คือภาษาที่บุตรถวายทานแด่พระพุทธเจ้ามีอนุัสงมากกว่ายัางไม่เฉลยอ่ะใครใครตอบอย่างอื่นนี่ตอบข้อคอเท่ากันใครตอบไหมฮะตอบไหม้ออ๋อนี่ตอบข้ององงงงโอโ้ยังมีข้องอให้ได้นะมีใครตอบไหมโฆษก็อกอตอบได้นะตอบอะไรใช้ไมก็ได้ หนูตอบว่าภาษารีบุตรให้ถวายทานเน่พระพุทธเจ้ามีอนุสงฆ์มากกว่าเอางี้โหวดให้โหวดใครตอบข้อกอยกมือตุตุ๊ดตุประมาณครึ่งหนึ่งใครตอบข้อขอตุตุ๊ดตไม่ถึงครึ่งใครตอบข้อคอข้อคอข้อคพอๆกันเลยนะอใครตอบข้องอ เมื่อกี้มีนี่ไม่ใช่หายไปไหนแล้วล่ะยังไม่เฉลยเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆแล้วจะมาทวนไงทีว่าคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงวิธีการทำบุญเอาไว้นะอย่างแรกเลยเนี่ยอะบุญกิริยาวัตถุมีกี่อย่างสิบอย่างเอาสั้นๆย่อๆมีสามมีอะไรบ้าง ทานศีลภาวนาง่ายอันนี้ง่ายถามเมื่อไหร่ตอบได้เมื่อนั้นใช่ไหมทานท่านเริ่มด้จากการให้ทานนะทานเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีรายละเอียดมีองค์ประกอบมากมายทั้งความบริสุทธิ์ของผู้ให้ความบริสุทธิ์ของผู้รับใช่ไหมอันนี้ผู้ให้กับผู้รับที่ถามไปเมื่อกี้ บริสุทธิ์ด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมเอ๊ยยังไงดีของของเนี่ยตีสวะเท่าเท่ากันนะท่านก็บอกว่าในรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เนี่ยนะให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีอานิสงส์มากเคยเล่าแล้วใช่ไหมที่ว่ามีเศรษฐีขี้เหนียวกินข้าวแล้วเม็ดข้าวร่วงไปนึกออกไหมใครที่ใครที่นึกไม่ออก เราซ้ำสักนิดก็แล้วกันนะสำหรับคนบางคนอาจจะยังไม่ได้เคยฟังเศรษฐีขี้เหนียวคนหนึ่งเหนียวมากขี้เหนียวนี่เป็นเป็นคำเาเรียกอะไรเปรียบเปลยใช่ั้มคงไม่ได้ไปจับมา <laughs> ยืดจริงๆนะคือไม่ให้ใครรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหามาได้เนี่ยหามาด้วยความ เพียรของตัวเองความยากลำบากตัวเองนั้นการจะให้ใครเนี่ยต้องนึกถึงผลประโยชน์มีประโยชน์และจึงให้เศรษฐีคนนี้เนี่ยขี้เหนียวขนาดที่เรียกว่าเวลากินข้าวถ้าหกข้าวหกเนี่ยเม็ดข้าวตกล่วงไปเนี่ยมีมดตัวหนึง่งเห็นข้าวหกมันก็คาบข้าวจะลงรู้ เศรษฐีขี้เหนียวคนนี้ไม่ให้หมดตัวนี้อยู่ๆจะมาฉกฉวยผลประโยชน์หน้าด้านๆไป ส, สื่อๆอย่างเงี้ยไม่ได้ก็หยิบไล่คว้ามดในมดมันวิ่งไปแล้วคว้าไม่ทันลงรูไปแล้วมือคุยรูด้วยเหนียวขนาดนี้นะจะเอาเม็ดข้าวนั้นจริงตกพื้นไปแล้วนะจะเอาคืนจเอาคืนคุยไปคุยไปตามไม่ทันก็เลยนึกว่า เอาเถอะไหนๆก็เอาไม่ได้แล้วฉันให้แกยังไม่ใช่ว่านี่ๆยังดีนะยังมีความคิดว่าฉันให้แกนะกลายเป็นการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งมดให้ข้าวหนึ่งเม็ดกับมดหนึ่งตัวอันนี้สงส์เยอะไหมเยอะนะเยอะเกิดมาชาตินึงเนี่ยเป็นคนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นยาจก เป็นยาจกเพราะตอนเป็นเศรษฐีไม่ให้ทานทำเป็นเศรษฐีไม่ให้ทานก็เป็นยาจกอัตคัดฝืดเคืองมดตัวนั้นเนี่ยเกิดมาเป็นคนเศรษฐีเนี่ยมาบวชเศรษฐีเนี่ยมาบวชเศรษฐีเน่ยเกิดมาอีกครั้งก็ยากจนเหมือนกันแล้วก็มาบวชบวชแล้วก็ไม่ได้มาบินทบาทก็ไม่ค่อยได้เพราะความที่ตัวเองไม่ค่อยได้ให้ทานพระเนี่ยบินทบาทก็วัด วัดบุญบารมีของเองเหมือนกันนะใครจะให้ตักบาทให้เราสักเท่าไหร่เนี่ยดูที่ว่าอาดีตตระชาติหรืออดีตปัจจุบันเนี่ยในชาตินี้เนี่ยนะให้ทานเขาให้มากน้อยแค่ไหนเศรษฐีเนี่ยกลับมาเกิดเป็นคนแล้วก็มาบิณฑบาตเอามาบวชพระแล้วมาบิณฑบาตไม่ค่อยได้ข้าวมดตัวนั้นมาเกิดเป็นคนนะเศรษฐีคนนั้นก็เมื่อเป็นพระแล้วก็บิณฑบาตผ่านบ้าน นายมดคนนี้ชื่อสมมุติชื่อว่ามด น, นะนายมดคนนี้ขอดูบาทของพระเรด็จอดีเศรษฐีเนี่ยไม่มีข้าวเลยสงสารพระก็เลยนิมนต์พระทีนี้จะถวายอาหารมันนี้ก็เกรงใจเกรงใจเพื่อนบ้านคล้ายๆกับว่าพระองค์นี้แสดงว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ศรัทธาเลย จึงไม่ได้อาหารเลยจะถวายอาหารไปก็เกรงใจเพื่อนบ้านดูสิจะถวายก็เกรงใจผู้ดีผู้ดีเนาะอายเพื่อนบ้านอะ่ะอายเพื่อนบ้านว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะก็เลยนิมนต์ท่านเข้ามาในบ้านทีนี้จะทํากับข้าวให้เสียงดังจะตําน้ําพริกตําน้ําพริกใช้ครกอะไรพวกเนี้ยนะก็จะเสียงดังกลัวเพื่อนบ้านจะรู้ ว่าตัวเองทำกับข้าวถวายพระก็เลยใช้ยังไงวิธีเวลามีอะไรที่ต้องทำให้แหลกละเอียดก็ใช้ปากขบใช้ฟันขบก็คือเหมือนกับที่เศรษฐีกินแล้วทำตกนั่นแหละผ่านปากตัวเองแล้วมันตกไปใช่ไหมพอชาตินี้ก็ต้องผ่านปากในมดนี้ก่อนอเคี้ยวง็ บ, ง บ, ง บ, ง บ, งบให้มันละเอียดนะแล้วมาทำกับข้าวถวายพระอดีตเศรษฐีองค์นั้น ดีเศรษฐีองค์นั้นรอดจากการอดอาหารได้ด้วยอานิสงค์จากการที่ให้แก่ไปเมือ่อตอนที่เป็นเศรษฐีตอนนั้นมีอานิสงค์นะการให้มีอานิสงคนะ์ <g aren> <g aren ม, างมากอย่างนี้เวลาเราล้างจานเวลาล้างจานนะแทนที่เราจะเทใส่อ่างล้างจานให้มันตันเล่นๆเ น, นี่ยนะก็ถ้ามีบริเวณ ศาสตร์ไปตามโคนต้นไม้ตามสนามหญ้าก็ได้แล้วนึกในใจว่าด้วยอาหารอันนี้สัตว์ทั้งหลายถ้าประสงค์ก็จงบริโภคเถิดดีไหมอาหารที่เราจะทิ้งแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับ ส, บสัตว์สททั้งหลายอีกมากมาย <S <S <S มดตัวหนึ่งนะกินเม็ดหนึ่งคงอิ่มไปท้องบานเลยเนาะทานมีผลมากอย่างนี้ ให้ทานกับศัตว์เดรัจฉามีผลมากด้วยท่านบอกว่าให้ทานกับสตัตว์เดรัจฉามีผลมากอย่างนี้แล้วให้ร้อยครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้คนที่ทุศีลหนึ่งคนให้คนทุศีลร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับให้คนที่มีศีลเป็นกาลยาณปูตุชนครั้งเดียวให้กับกาลยาณปุตุชนร้อยครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้กับพระโสะดาบัน หครั้งไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึงพระอระหรันจนถึงพระพุทธเจ้าให้กับพระพุทธเจ้ามีผลมากกว่าให้กับพระอระหรันตอนนี้ใครมีคําตอบอะไรไหมอย่าพึ่งตอบฟังต่ออย่าพึ่งตอบฟังต่อคล้ายๆกับว่าเอ๊สงสัยจะเป็นข้อข้อสองข้อขอมั้งหรือไงหรือข้อแรกข้อก อ, ข, อ, กอข้อกอคือพระสัทบุตรให้กับพระพุทธเจ้าใช่ไหม มันน่าจะเป็นข้อกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะท่านบอกอีกว่าเวลาให้เจาะจงบุคคลเนี่ยบุคคลที่เป็นทักษีนัยะบุคคลคือให้แล้วให้ได้ผลสูงสุดคือใครถ้าเกิดให้แบบเจาะจงบุคคลให้ใครพระพุทธเจ้านะถ้าให้แบบไม่เจาะจงบุคคลให้เป็นสังฆทานสังฆทานก็คือ พระพุทธเจ้าเป็นประมุขของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ประกอบกันเนี่ยสูงสุดถ้าจะพ่อนออกมาก็ภิกษุณีสงฆ์ไม่มีก็ภิกษุสงฆ์ตอนนี้ไม่มีแล้วก็เหลือแต่ภิกษุสงฆ์แล้วยิ่งกว่าการให้ทานคือทำตัวเองให้มีศีลคราวนี้พัฒนาตัวเองแล้วนะบุญครั้งแรกคือบุญที่มีข้าวของอะไรถวายเหนือกว่านั้นคือ ไม่ได้ถวายใครทำตัวเองให้มีศีลพัฒนากายวาจาและใจตัวเองขึ้นมาไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาไม่คิดจะเบียดเบียนใครด้วยพัฒนาขึ้นมาแล้วมีศีลทานศีลข้อสามคืออะไรภาวนายิ่งกว่าการมีศีลคือภาวนาพัฒนาจิตใจตัวเอง จากที่มันฟุ้งซ่านไปให้สงบขึ้นมาได้สมถะภาวนาได้สมถะภาวนาแล้วทำวิปัสนาภาวนาให้มีปัญญาขึ้นมารู้ความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมนี้ที่ว่าเป็นกายเราใจเราเนี่ยไม่ใช่เราไอ้ที่เข้าใจเดิมเนี่ยเข้าใจผิดคิดผิดภาษาพระเรียกว่ามิจฉาทิฐิ ได้สัมมาทิติขึ้นมาครั้งแรกเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรากายใจนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันไม่เที่ยงหลวงพ่อชาบอกมันไม่แน่มันไม่เที่ย ง, าา เ, ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ความเข้าใจอย่างนี้เข้าสู่กระแสรพระนิพพานครั้งแรกมีศัพท์อาตมาชอบศัพท์นี้ว่าเห็นพระนิพพานครั้งแรกท่านแช้คําว่า ปฐมมัททัตปฐมทัทสนามีรอบปฐมทัททัด้วยนะได้ได้จองตั๋วหรือยังจองตั๋วดูพระนิพพานรอบแรกหรือยังยังเนาะยังไม่ได้ดูถ้ายังไม่ได้ดูเนี่ยยังไม่เป็นพระโสดาบันมีการเห็นพระนิพพานครั้งแรกรอบปฐมมัททัตเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ยังไม่เท่าไปได้เป็นพระสกิทาคา ได้เป็นพระสกิทาคาก็ยังไม่ได้เท่าเป็นพระอนาคามีได้เป็นพระอนาคามีก็ยังไม่ได้เท่าเป็นพระอระหันต์ตกลงบุญทั้งหลายเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือพัฒนาตนเองให้สูงสูงขึ้นไปตกลงคำตอบเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นข้อไหนการถ้าเรามุ่งที่การให้ เราก็จะตอบข้อแรกคือพระสารีบุตรถวายแด่พระพุทธเจ้าน่าจะเป็นข้อนี้แต่ถ้ามุ่งถึงการพัฒนาตนเองต้องเป็นข้อขอและคำตอบอันนี้อัตมาไม่ได้ตั้งเองนะคำถามนี้นะพระอัฏฐกถาอาจารย์ท่านตั้งเอาไว้จึงกล้ามาถามไม่งั้นไม่ไม่กล้าเฉลยเหมือนกันท่านเฉลยว่าพระพุทธเจ้า ให้แกลเปสรีบุตรมีอานิสงส์มากกว่าด้วยความที่ผู้ให้พัฒนาตนเองได้สูงกว่าการให้จากบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมสูงการให้อันนั้นมีอานิสงส์มากกว่าถ้าเรายังเป็นปุรุชนผู้มืดมัวอยู่ตรงนี้หรือว่ายังเป็นคนไม่มีศีลผิดศีลอยู่แล้วอยากจะให้มีบุญก็เลยขวนขวายวิธีด้วยการ ให้อย่างนี้ก็ได้บุญระดับหนึ่งแต่ถ้าขนขวายด้วยวิธีพัฒนาตนเองให้มีศีลได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องที่เวลานึกถึงบุญนึกเพียงการให้เนี่ยคงจะมีมานานแล้วพระอัจฉริยะาจารย์จึงยกคำถามนี้ขึ้นมาว่าพระสารีบุตรถวายทานแด่พระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าให้กับพระสาริบุตร การให้อันไหนเหตุการณ์อันไหนเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่ากันการให้ถ้าดูถึงการให้ครับในเมื่อพระท่านพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระอาหารหันนะครับ อ, อืพระอาหารหันเนี่ยนะครับผมเคยได้ฟังทราบมาว่าไม่ว่าท่านตากรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว จำนั้นก็ไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะคําตอบข้อนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นข้อคอครับข้อไหนนะก็ขอครับผมข้อคอเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าถือว่าท่านเป็นพระอาจารย์กรรมนั้นไม่มีผลก็มีมีอานิสงส์เท่ากันครับท่านไม่ทํากรรมการกระทําทั้งคู่นะครับทั้งคู่ในจริงจริงแล้วสิ่งที่ท่านให้กันเนี่ยเป็นเป็นที่เรียกว่ากิริยา ด้วยกิริยาเท่านั้นทีนี้ด้วยการให้ของท่านท่านก็ให้นะแต่การให้นั่นไม่ได้ทำกรรมไม่ได้หวังว่าท่านจะเสวยผลกรรมนี้ในอนาคตหรือว่าจะทำเพื่อเป็นบุญไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความที่พระองค์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเป็นเลิศนะการการให้การเทศ การเสด็จไปไหนมันจึงเป็นเลิศไปหมดเข้าใจไหมภาษาลิบุตรเป็นอักรธรรมเสนาบดีเป็นอัก ข, ข ร, ร, ร, ร, าขขรสาวกถ้าเทียบกับสาวกองอื่นเวล า, าวออภาษาลิบุตรให้เทศหรือเดินไปไหนก็เลิศ ก, กว่าสาวกองอื่นเข้าใจไหมเพราะท่านผู้ทําสิ่งนั้นการให้อันนั้นท่านมีคุณธรรมมากกว่า แต่เราเนี่ยมักจะเลงถึงการว่าผู้รับคือใครที่ที่พระอัฏฐกถาจารย์แสดงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมุ่งที่เข้ามาใส่ตัวโอปัญญิโกแต่เวลาคนทั่วไปนึกถึงบุญนึกถึงว่าใครจะรับทานของเราเข้าใจไหมใครจะรับทานของเราเราจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าใครจะรับทานของเรา ซึ่งก็จริงในแง่หนึ่งในปริยายหนึ่งแต่มันไม่ได้พัฒนาตัวเองเข้าใจไหมท่านมุ่งว่าทําอย่างไรให้ชาวพุทธพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูงสูงขึ้นไปสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าหยุดเพียงว่าฉันทำแล้วฉันจะได้อานิสง์คือฉันจะรวยในภายหน้านะทำด้วยโลภจิตที่โลภเป็น ทำบุญด้วยแฝงแฝงกิเลสหน่อยๆอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าพัฒนาจิตใจตัวเองว่าแม้ไม่ขอให้อันเนี้ยเป็นประโยชน์กับผู้รับอย่างเงี้ยนะขอสิ่งนี้จงเป็นประโยชน์กับผู้รับให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ต่อไปหรือให้คนนี้ใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างเงี้ยจิตที่บริสุทธิ์ด้วยการให้อย่างเงี้ยมันแสดงถึงว่าผู้ให้นั้นบริสุทธิ์ก่อนใช่หม ผู้ให้นั้นมีความบริสุทธิ์ในใจนี้ก่อนเวลาเรานึกถึงบุญนึกถึงคําถามวันนี้ให้ด้วยจะทําบุญอะไรเนี่ยนึกถึงคําถามวันนี้ว่าเราทําด้วยความโลภอยากได้ผลของการทําบุญนั้นไหมถ้าอยากได้ผลของการทําบุญในแง่ที่ว่าอยากได้อา น, นิสงส์มากๆเพื่อว่าอนาคตฉันจะได้สุขสบายอันนี้เราทําบุญในแง่ที่ว่าไม่ได้พัฒนาตัวเอง แต่พยายามพัฒนาให้คนอื่นเขาพัฒนาเป็นเป็นอะไรเป็นเนื้อนาบุญเราก็ได้แต่เป็นชาวนาต่อไปเข้าใจไหมให้คนอื่นเขาพัฒนาต่อไปเหมือนเวลาโยมมาดูพระเนี่ยก็จะมองว่าพระนี่เคร่งหรือไม่เคร่งแต่ตัวเองเคร่งหรือไม่เคร่งไม่รู้เข้าใจไหมมีเทวดามีเทวดามาเข้าเฝ้าพทธเจ้า กล่าวสรรเสริญภาษาธิบุตรมีนะโอ้ภาษาธิบุตรนี่ดีจริงๆแสดงธรรมไพเราะเป็นพระอาหารหันต์ที่มีความสามารถในการแสดงธรรมมากมีปัญญามากมากล่าวสรรเสริญภาษาธิบุตรต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกอืมดีภาษาธิบุตรนะท่านดี ท่านเป็นพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์มีปัญญามากเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเป็นพระธรรมเสนาบดีแล้วท่านละ่ะย้อนไปชมเขานะ่แล้วท่านละ่ะดีหรื อ, อยังเราเป็นชาวพุทธไม่ใช่มัวแต่มองว่าคนนี้ดีหรื อ, อยังควัดนี้มีหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเราละ่ะได้รับประโยชน์จากคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยัง ได้พัฒนาตนเองให้สมกับเป็นผู้ได้ฟังคําสอนแล้วหรื อ, อยังเป็นเป็นอริยะสาวกผู้ได้สดับธรรมแล้วหรื อ, อยังหรือฟังแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาออกไปหรือเข้าหูขวาทะลุออกหูซ้ายหรือออกปากส่วนใหญ่จะออกปากนะไปเมากันเดี๋ยวนี้ไปออกปากออกนิ้ว เปลี่ยนเงื่อนไหมดันั้นให้มาเตือนตัวเองว่าต้องพัฒนาจิตใจของเราวิธีพัฒนาจิตใจของเราก็คือว่าตอนนี้กายนี้ใจนี้เป็นยังไงรู้ไหมรู้ตัวไหมทําความรู้ตัวขึ้นมาก่อนสิ่งแรกที่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ผู้ที่ตั้งสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาต้องการให้ชาวพุทธได้เป็นเบืเ้องต้นคือความรู้ตัวความรู้ตัวเนี่ยมันมีความรู้ตัวแบบทั่วๆไป ฉันกำลังขับรถอยู่ฉันกาลังนั่งอยู่นี่ก็รู้ตัวแต่รู้ตัวอย่างนี้เรียกว่ารู้ตัวทั่วๆไปมันยังมีชั้นความรู้ตัวที่แท้ๆคือรู้ถึงสภาวะที่เป็นปรมตัตธรรมแต่พูดอย่างนี้ก็งงอีกมันก็อยู่ที่ว่าเวลาเห็นกายนั่งให้รู้ว่าเป็นกายจริงๆไม่ใช่ว่าฉันกำลังนั่งเวลานึกเห็นตัเ น, นี้ย แต่ละคนนั่งพื้นบ้างนั่งเก้าอี้บ้างเนี่ยรู้ตัวไหมว่าขณะ น, นี้กายนี้นั่งอยู่ถ้าถ้าถามในชักย้อนมาดูใช่ไหมแต่ถ้าฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันมาที่นี่มันมาอยู่ที่ผู้พูดแล้วก็ฟังเนื้อหาฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปใจกาลังพุ่งมาที่นี่เนี่ยรู้ตัวไหมว่าใจพุ่งมา <c oughs> <c oughs> คือ ความรู้ตัวมีสองแบบสติมีทั้งสัมมาสติและทั้งที่ไม่ใช่สัมมาสติก็ให้รู้ด้วยสมาธิก็มีทั้งสัมมาสมาธิและทั้งที่ไม่ใช่สัมมาสมาธิคำว่าสัมมาแสดงว่ามันมีที่ไม่ใช่สัมมาด้วยความรู้ตัวขณะนี้เนี่ยเรารู้ตัวในแง่ของเป็นสภาวะธรรมแ ท, แท้คือเป็นรูปเป็นนามจริงๆไหมเวลาเห็นจิตเนี่ย จิตเองก็มีทั้งเป็นผู้รู้และสิ่งประกอบกับจิตอีกทีหนึ่งเช่นความโกรธความโลภความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่เห็นไหมว่าจิตนี้มันมีสิ่งเหล่านี้ปนอยู่จิตผู้รู้มีอยู่ตั้งหากไม่ใช่ว่ากูโกรธแล้วนะมึงยังมาพูดมากนะอย่างนี้ก็เป็นสติแบบชาวโลกใช่ไหมกูโกรธแล้วนะมันก็เหมือนรู้ตัวเหมือนกันใช่ แต่ทำไมไม่หายโกรธเพราะมันเป็นกูโกรธไม่ได้เห็นตัวโกรธไม่เห็นว่าจิตมีความโกรธปนอยู่หรือบางทีเห็นเหมือนกันแล้วก็โกรธความโกรธไอ้เมื่อกี้นี้บางทีไม่ทันได้โกรธความโกรธโกรธความทุกข์ที่มีความโกรธเวลาโกรธเนี่ยนะมันเป็นโทสะทุกครั้งที่มีโทสะจะมีเวทนาประกอบพร้อมกันคือ เป็นทุกข์บางทีไม่ทันได้ดูความโกรธแต่ได้รับความทุกข์แล้วไม่ชอบทุกข์นั้นแล้วจิตก็ไปไม่ชอบความทุกข์นี้เลยฉันทำยังไงจะพ้นจากทุกข์อันนี้วนอย่างเงี้ยไม่เห็นสภาวะแท้แท้สักทีก็เลยไม่ดับสักทีฉันทุกข์แล้เกินฉันทุกข์แล้วเกินแล้วก็ไม่พอใจมันจะมีว่าฉันโกรธบ้างหรือไม่ไม่ก็เป็นฉันทุกข์บ้าง มันจะมีสองแง่เวลาเรารู้สึกว่าฉันหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันมัวแต่คิดมันวนอยู่ไม่ได้ไม่ได้เห็นสภาวะแท้ๆขึ้นมาถ้าเห็นสภาวะแท้ๆขึ้นมาเนี่ยมันมีแสงสว่างขึ้นมามันออกจากความมืดได้และเดี๋ยวก็มืดใหม่ <laughs> มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยง <c oughs> แต่สว่างขึ้นมาแว บ, บนึงเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างมืดมืดมืมื ด, ม ด, มด มืดด้วยร้อนด้วยมันมีไฟแบบมันมีไฟนะแต่ตาไม่เห็นเองมันเลยไม่เห็นความสว่างของไฟนั้นเวลามีความสุขก็ไม่ทันได้ดูความสุขที่เกิดขึ้นเพลินเพลินไปกับความสุขอันนั้นเอนจอยเป็นอย่างนั้นไหมนึกถึงชีวิตประจำวันของเรานะ วันวันหนึ่งเนี่ยมันก็ปล่อยหลงเพลินไปกับความสุขบ้างความทุกข์บ้างส่งไปออกเสวย อ, อารมณ์เคยพูดถึงใช่ไหมจิตเนี่ยมันมันหิวอารมณ์แล้วก็ส่งออกไปเสวย อ, อารมณ์ลืมนึกถึงว่าจิตมันพุ่งออกไปจิตมันเคลื่อนไปถ้ารู้ทันว่าเมื่อกี้นี้มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้ทันว่ามันมีการเคลื่อนด้วยอันนี้ได้สองต่อ รู้สันสภาวะว่าเมื่อกี้นี้มีอะไรเกิดขึ้นเชน่นจิตเมื่อกี้นี้มีความโกรธจิตเมื่อกี้นี้มีความโลภจิตเมื่อกี้นี้มีราคะมีโทสะมีโมหะปนอยู่เนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่ามีสติเห็นสภาวะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเรียกว่ามีสติแต่มีสติอันนั้นนะี่ยยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวจิตนี่มันเคลื่อนแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปถ้าครูบาอาจารย์บอกว่า เห็นมมันมันมันฟุ้งซ่านมันแกว่งคือจิตเนี่ยมันสัดสายซัดสายมันกระสับกระสายบ้างมันซัดสายมัิงซัดสายเนี่ยใช้คํานี้เหมาะกว่ามันซัดสายมันหาสําหรับคนฟุ้งซ่านนะคนฟุ้งซ่านมันซัดสายความซัดสายเนี่ยมันแสดงความเคลื่อนไหวของจิตด้วยแสดงว่าจิตนั้นเนี่ยดวงนิดเดียว แล้เวลาไปไหนก็ไปพุ่งไปพุ่งไปเวลาจะรู้อันนั้นทีรู้เลยิทีมันจะพุ่งไปแม้แต่รู้ในร่างกายเราเองเนี่ยพยายามจะภาวนาแล้วเนี่ยนะมันก็ยังเคลื่อนไปรู้สึกไหมเวลาดูลมหายใจสมมติราดูที่ปลายจมูกอยู่อ้าทุกคนลองดูดูลมหรือว่าก็พูดโทอยู่ที่นี่นก็ได้หรือทำความรู้สึกที่ปลายจมูนี้ก็ได้รู้ไหมทามด้วยนะ ทำด้วยแล้วจะได้ลองทดลองเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวจริงๆของของจิตนี้แล้วลองกระดิกนิ้วหัวแม่มือขวารู้สึกความเคลื่อนไหวไหมเห็นไม่ใช่เคลื่อนไหวของ <c oughs> นิ้วหัวแม่มือนะจิตที่รู้อยู่ตรงนี้มันเคลื่อนมาที่นี่ไหม <c oughs> กลับมาที่จมูกใหม่เคลื่อนไปรู้ที่ <c oughs> ที่นี้ที่ผมสักเส้นหนึ่งบนหัว มีการเคลื่อนไหมจิตมันนิดเดียวเห็นไหมใหญ่ไม่เท่าตัวแล้วแสดงตัวเราเนี่ยมันใหญ่มากนะจิตนี่ขนาดรู้จากนี่แล้วเวลาจะรู้ที่นี่ต้องเคลื่อนไปรู้จักจมูกจะขึ้นไปที่หัวเนี่ยต้องเคลื่อนไปมีความรู้สึกงั้นไหมใครที่เห็นตรงนี้ได้เนี่ยมีโอกาสจะได้อีกตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธิเห็นความเคลื่อนไปของจิตตอนที่รู้เนี่ยจิตไม่เคลื่อน ตอนที่รู้ว่าจิตเคลื่อนเนี่ยจิตไม่เคลื่อนเพราะรู้ที่จิตเข้า <c oughs> ใจไหมแต่พอจิตที่มันเคลื่อนไปรู้ตรงนี้เนี่ยจิตมันเคลื่อนไปตอนรู้ที่ปลายจมูกจิตมันก็ยังอุตสาหขยับออกมารู้ตรงนี้นะแต่ตรงนี้เนี่ยมันยังมองไม่ชัดบอกให้เคลื่อนมารู้ที่ผมเนี่ยมันจะเคลื่อนขึ้นมาจากผมเนี่ยลองกระดิกปลายเท้าขวานิ้วโป้งหัว ม, ม่โป้งนั่งอยู่ก็กระดิกได้ใช่ไ รู้ได้ไหมไม่ต uh ้องมองใช่ไหมจิต huh. ร uh huh. mm hmm. yeah. uh huh. ู้ได้ใช่ไหมแล้วมันเคลื่อนไม่จากปลายจมูกลงมาเนี่ยเคลื่อนไหมเห็นมันเคลื่อนยี้ใช่ไหมหัดอย่างนี้นะบางทีก็เล่นยืนอยู่เวลาเดินจงกรมนะใครเดินจงกรมบ้างเนี่ยมีไหมมีใครฝึกเดินจงกรมเดินจงกรมเนี่ยเวลาถึงปลายทางจงกรมเนี่ยอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบกลับตัวยืนสักพักนึ่งก่อนยืนสักพักหนึ่งก่อนถ้าปลายทางมัน มันตันๆนะทําความรู้ตัวก่อนแล้วก็หมุนกลับมาหมุนกลับมาถ้าความรู้ตัวอีกทีอย่าเพิ่งรีบเดินออกไปมองไปสิเลยใจมันไหลไปข้างหน้าไหมไปไหมออให้รู้ทันก่อนเล่นอย่างนี้ก่อนก็ได้เช่นยืนอยู่ตรงนี้เนะเห็นเสาข้างหน้าเนี่นะนะลองดูซิจิตมันไหลไปหาเสาไหมบางทีก็ตั้งใจไหลเลยก็ได้ลองฝึกดูว่าฉันจะไหลไปตรงนี้ฉันจะใส่ใจตรงนี้ฝึกเห็นจิตที่มันวิ่งไปไหลไป แล้วมันจะได้ความชำนาญแบบหนึ่งตอนที่รู้ว่ามันไหลไปโดยที่ไม่ตั้งใจนะ่มันจะมาจากที่ฝึกเห็นตอนที่แบบตั้งใจไปก่อนก็มีเหมือนที่ว่าฝึกให้ตั้งใจให้มันอยู่ที่ปลายจมูกอย่างนี้นะฝึกให้จิตมันมีที่อยู่นะตั้งใจให้มันอยู่หรือฝึกเห็นความเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งใจให้รู้ความเคลื่อนไหวเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเทียนทำนะขึ้นมา ตั้งใจก่อนแรกๆก็ตั้งใจไปก่อนและพอมันเคลื่อนไหวเองในชีวิตประจำวันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมาแล้วรู้โดยไม่ตั้งใจอันนั้นจะเรียกว่ามีสติที่มีกำลังมากเพราะรู้โดยอัตโนมัตริรู้โดยอัตโนมัติไม่ใช่เกิดขึ้นเองแบบตั้งใจให้มันเกิดมันเกิดจากการที่เราฝึกปรือโดยสม่าเสมอทำทุกวันทำทุกวันทาทุกวั น, ททวนจนได้ทักษะ จิตนี่ได้ทักษะขึ้นมาเห็นความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆพอความเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้งใจดูแล้วจิตมันรู้ขึ้นมาเองเรียกว่ามีสติโดยอัตโนมัติมีสติโดยอัตโนมัติตต น, ตนี่มันจะมีกำลังมากกว่ามีสติโดยตั้งใจสติแบบตั้งใจทาเรียกภาษาอาพิธรรมเรียกว่าอสังขาริกโดยที่ไม่ไม่ต้องตั้งใจเรียกง่ายๆว่าอัตโนมัติ อันนี้มันจะมีกำลังมากเวลาจิตมันเคลื่อนไปโดยที่ไม่ตั้งใจดูว่ามันเคลื่อนเคลื่อนไปเลยที่พอเคลื่อนไปเห็นความเคลื่อ น, นอมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นโดยอัตโนมัติต้องทำอย่างนี้นะคนที่เขาประสบความสำเร็จในการภาวนาเนี่ยทำจนเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยรู้โดยอัตโนมัติในชีวิตประจาวัน เห็นอะไรมันเคลื่อนไหวเห็นอะไรมันเกิดดับเห็นด้วยใจเห็นเห็นกายเนี่ยเวลาเห็นกายเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยใจเห็นความปรุงแต่งทางจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นด้วยตาตาเนี่ยเห็นไม่ได้แน่แเห็นด้วยใจเห็นไปบ่อยเห็นโดยชำนาญกลายเป็นว่า สักวันหนึ่งมันจะมีความอัตโนมัติคือเกิดขึ้นมาเนีนะมันนั้นก็น่าจะได้เข้ารอบประถมทัศน์สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะทำอะไรในในวันวันหนึ่งเนี่ยต้องมีวินัยในการภาวนาของเรา แบ่งเวลาสวดมนต์ทำในรูปแบบเป็นประจำบางคนบอกทำงานไม่มีเวลาเลยเมื่อเช้าก็มีโทรศัพท์มาบอกไม่มีเวลาบอกอาบน้ำบ้างไหมหรือว่ากลับจากที่ทางานแล้วเข้านอนเลยบอกอาบต้องอาบบางวันตอนเช้าไม่ทันก็ไม่ได้อาบนี่ เขาสารภาพมานะตอนเช้าเนี่ยตื่นไม่ทันแล้วก็ต้องรีบไปโดยที่ไม่อาบน้ํางั้นเอาตอนเย็นทุกครั้งที่อาบน้ําหลังอาบน้ําแล้วให้มาทําในรูปแบบเรียกว่าหลังอาบน้ําแล้วเนี่ยอย่าปฏิเสธอย่าไปทําอย่างอื่นก่อนอย่าอย่าเอาข้ออ้างว่าฉันไม่มีเวลาแล้วไม่ยอมทําอย่าไปรีบนอนหรืออย่าไปรีบดูละคร ใช้เวลาหลังอาบน้ําที่สดชื่นแล้วแต่งตัวก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวจะพูดแล้วโหรวบรัดแต่งตัวด้วยแต่งชุดหลังอาบน้าก็จะหลวมๆสบายๆมานั่งสวดมนัน่งนั่งกรรมฐานในรูปแบบทําอย่างนี้อย่างน้อยๆวันละ5นาที10นาทีหรือ15นาทีแล้วแต่กําลังของแต่ละคนถ้าใครไม่มีกําลังอะไรเลยก็น้อยสุดเลย5นาทีต้องให้ได้ แต่จำนวนเวลาไม่สําคัญเท่าความสม่ําเสมอความสม่ําเสมอจะเป็นตัววัดว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนทําขยันขยันขยันแต่ว่าขยันเสร็จแล้วเวน้เวนไปทํำไม่สม่ําเสมอกําลังมันตกเหมือนจะยิงจรวดขึ้นไปให้พ้นจากแรงดึงดูดของโลกเลยนะกาลังส่งก็ต้องมากด้วยแล้วต้องสม่ําเสมอด้วย จะพุ่งด้วยความแรงเลยแล้วก็หมดไม่พ้นใช่ไหมต้องตกจรวดนี้ต้องตกขึ้นมาเราจะให้พ้นจากแรงดึงดูดของโลกเลยนะไม่ได้ด้วยกําลังความเพียรหยอกยอกแย่ๆต้องทําสม่ําเสมอความสม่ําเสมอเนี่ยต้องใช้กําลังใจมากกว่าที่จะนั่งชั่วโมงหนึ่งสักครั้งหนึ่ง จะนั่งชั่วโมงหนึ่งสักครั้งหนึ่งหรือว่าจะไปเข้าคอร์สอะไรลำบากลําบากสักเจ็ดวันเนี่ยทําได้รู้สึกไหมให้คนอื่นก็บังคับเราให้เดินจงกรมนั่งสมาธิในคอร์สเนี่ยทําได้พราะรู้สึกว่าอีกสี่วันฉันก็จะพ้นและวใช่ไหมถึงวันที่ห้าแล้วโอทนนิดหน่อยทนอิดหน่อยรู้สึกงั้นไหมแล้วพอออกจากนี่ไปฉันจะนอนให้สบายเลยรู้สึกงั้นปะ ฉันจะพักผ่อนให้เต็มที่เลยฉันจะไปดูหนังฉันไปกินกินกินเพราะฉันถือศีลแปดอดมือเย็นมานานรู้สึก ง, งั้นไหมความเพียรแบบเคร่งเครียดชั่วคราวเนี่ยได้ผลเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่เท่ากับความสม่าเสมอที่เราทำทุกวันทุกวันถึงเวลาแล้วฉันจะทำแม้จะมีภารากิจอะไรมากมายแค่ไหนกลับบ้านดึกแค่ไหนอาบน้ำเที่ยงคืนตีหนึ่งฉันหลังอาบน้าฉันก็จะทา ต้องงันนะมันมันต้องไม่มีข้อแม้ให้กับตัวเองอย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้ได้ตั้งจิตไว้ตั้งใจเอาไว้ว่าฉันจะทําสม่ําเสมอทุกวันแล้วถ้าทําได้ได้อธิฐานบารมีได้บารมีนะได้บารมีทําด้วยจิตตั้งมั่นอย่างนี้มั่นในในในการทําอย่างนี้ได้อธิฐานบารมีทําด้วยความอดทนได้ขันติบารมี เพียรทำไปทุกวันทุกวันได้วิริยะบารมีดูสิแค่ให้มีวินยัยในชีวิตประจําวันทุกๆวันเงนี้ยบารมีมากเลยเห็นไหมทไปอย่างเงี้ยนะทำกายไม่ให้เบียดเบียนใครไม่ให้วาจาเบียดเบียนใครได้ศีลบารมีทําไปทํามาเนี่ยไอคนนั้นก็โกนไอคนนี้ก็กวนเราจะทํำยังไงหน้าที่จะให้ให้การภาวนาของเราเนี่ย ตลอดรอดฝั่งไปได้เราจะหาวิธีเดินไปทางไหนดีจะนั่งที่ไหนดีจะสวดมนต์ตรงไหนดีหรือจะแบ่งเวลาอย่างไงดีเนี่ยเราจะมีปัญญาขึ้นมาปัญญาในการที่ว่าจะเอาตัวรอดอยังไงในชีวิตประจาวันเนี่ยเราก็ต้องรักษาศีลด้วยแล้วก็ต้องใช้ปัญญาในการที่ว่าจะรักษาศีนยังไงในสภาพแวดล้อมของคนที่มันสกปรกขนาดนี้ <c oughs> ได้ปัญญานะมั่นในใจว่าเราจะรักษาศีล ไม่ด่างไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยทีแรกอาตมาเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็งงไม่ขาดไม่ทะลุนี่พอเห็นความแตกต่างใช่ไมไม่ด่างไม่พร้อยมันต่างกันยังไงนอโยมรู้ไหมรักษาศีลให้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดนี่รู้ไหมคือองค์ประกอบของศีลเนี่ยมันมีเช่นศีลหเนี่ยนะข้อแรกเนี่ย ปานาติปาตาเวรมณีนะไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันมีองค์ประกอบของศีลว่ารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีใจอยากจะฆ่ามีความเพียรทําลงไปแล้วสัตว์นั้นตายครบอย่างนี้นะทำไปเนี่ยศีลขาดเช่นมีสุนัขตัวหนึ่งมันมาถ่ายอุจจาระหน้าบ้านเราและมีความเพียรในการถ่ายด้วย มีความสม่ำเสมอในการถ่ายเกลียดมากไอ้หมาตัวนี้มันจะเป็นหมาของใครก็แล้วแต่ฉันจะฆ่ามันเอาถือไม้มาฟาดลงไปถูกหมาหมาดโดนไม้ทีหนึ่งก็ชักดิ้นอยู่นั้นฟาดซ้ำๆๆจนหมาตายอย่างนี้ศีลขาดามีความเพียรรู้ว่าหมามีชีวิตใช่ไหมมีใจอยากจะฆ่า ความเพียรในการทําลงไปฆ่าแล้วแล้วหมาก็ตายด้วยความเพียร น, นั้นมีมีความเพียร น, นะเป็นวิริยะนะแต่ไม่ใช่บารมีมีความเพียรลงไปอย่างนี้ศีลขาดชัดเจนศีลทะลุเป็นยังไงศีลทะลุหมามาความม่ตีหมาปุ๊บหมาร้องเองแล้ววิ่งไปเลยหมาเจ็บตัวแต่ไม่ตาย คิดจะฆ่าหมามีความเพียรลงไปแล้วทำไปแล้วโดนด้วยหมาเจ็บตัวเจ็บตัวด้วยเจ็บแค่ไหนก็แล้วแต่นะถือว่าศีทลทะลุแต่ไม่ถึงกับขาดจะถามว่าผิดหัหยผิดนะผิดศีล น, นะแต่ไม่ขาดฉะนั้นศะีลขาดหรือศีลไม่ขาดเนี่ยมันก็ผิดไม่ว่าจะขาดหรือทะลุเนี่ยก็ผิดนะ ศีนขาดศีลทะลุแยกออกไหมอย่างงี้ทำไปแล้วเจ็บตัวแต่ไม่ตายอาจจะพิการอาจจะสาหัสแค่ไหนก็ดูที่ว่ามันจะผิดแค่ไหนดูที่ว่ามันเจ็บมากแค่ไหนศีนด่างศีลด่างเป็นยังไงหมามาอยากจะฆ่าหมาคว้าไม้มาตีลงไปไอ้นี่ไม่ได้ซ้อมอ่อนซ้อมตีไม่โดนหมาหม้า ตีไม่โดนหมาก็เองนะสังเกตไหมใครเคยตีหมาตีไม่โดนหมาก็ร้องเองวิ่งหนีไปอือันนี้ศีลด่างมีรู้ว่าหมามีชีวิตทําความเพียรที่จะฆ่าหมาอยากจะฆ่าหมานะทําความเพียรจะฆ่าหมาแต่ว่าหมาไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้ศีลด่างศีนพร้อยเป็นยังไง หมามาไอตัวนี้อีกแล้วมาเวลาเดิมเลยคิดจะฆ่าหมาคว้าไม้มาหมาเห็นหมารีวิ่งเลยไม่ทันได้ลงมือไม่ทันได้ทำความเพียรในการฆ่าหมาศีลพลอยเริ่มจากว่ามีจิตคิดจะฆ่าข้อสองเหมือนกัน ม, กมีจิตมีจิตคิดจะขโมยข้อสามีมจิตคิดจะ ผิดลูกผิดเมียเขาข้อสีมีจิตคิดจะโกหกข้อหก็มีจิตคิดจะเสพสิ่งมึนเมาเริ่มจากมีเจตนาที่จะทำผิดต่างๆในศีลแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าทำสําเร็จศีลขาดถ้าบกพร่องจุดนั่นจุดนี้บ้างก็ศีลทะลุศีลด่างศีลพลอย ภาษาไทยเนี่ยงงมากเลยด่างกับพร้อยเนี่ยไม่เข้าใจแต่ถ้าดูองค์ประกอบก็จะมีความแตกต่างระหว่างความด่างกับความพร้อยไปเปิดพระจันทร์นรมด่างกับพร้อยก็พอกัน <c oughs> <c oughs> พอเข้าใจนะการที่จะทําบุญอา <c oughs> จาที่ทำบุญ <c oughs> ให้ทานแล้วรักษาสิ่งก็ต้องรักษาให้เป็น <c oughs> ไม่คิดจะทําผิดเลยดีกว่าพอคิดปุ๊บเนี่ย ไม่ด่างก็พร้อยต้องเตรียมรออยู่แล้วใช่ไหมทำความเพียรไปเนี่ยก็เริ่มจะทะลุแล้วสำเร็จขึ้นมาก็ขาดเลยแต่ทุกกระบวนการตั้งแต่มันด่างมันพร้อยจนทะลุจนขาดเนี่ยนะแค่พร้อยก็ผิดแล้วดังนั้นวิธีที่จะไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยมีสติ มันคิดจะทําอะไรทําผิดอะไรขึ้นมามันตั้งเกิดจากกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจก่อนรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจตอนที่กิเลสขึ้นมามีความโลภอยากได้มีใจใจตรงเนี้ยบางทีก็เรียกว่าราคะเห็นอันนี้แล้วมีความพอใจชอบใจและถ้าไม่รู้ทันมันก็จะเกิดความโลภขึ้นมาอยากจะได้เห็นตรงนี้แล้วไม่ค่อยพอใจหงุดหงิดบางทีเขาเรียกศัพ์ ตัวนี้ว่ามันยังไม่ถึงกับโกรธอ่ะก็เรียกว่าปฏิฆะมันมีความหงุดหงิดขึ้นมาถ้าไม่รู้ทันตัวนี้มันจะพัฒนามีการแบ่งตัวแบ่งเซลล์ถ้าเป็นรูปธรรมคือมันแบ่งเซลล์โตขึ้นมาแต่ถ้าในานามธรรมคือมันมีความเติบโตมีความขยายตัวจากที่หงุดหงิดเล็กน้อยกลายเป็นโกรธ ถ, ถ้าไม่รู้ทันอีกมันก็จะมีคิดที่จะทําร้ายที่จะให้ร้ายพูดร้ายทําร้าย คิดจะทำลายคิดจะทํำยังไงได้แก่ข้าจันอย่ามาอยู่ร่วมโลกกันอย่างนี้นะถ้าจะรักษาศีง่ายง่ายวิธีง่ายๆคือรู้ทันมันตั้งแต่ตอนมันเป็นกิเลสเกิดขึ้นในใจคราวนี้แม้แต่ด่างหรือพร้อยก็ไม่ด่างไม่พร้อยเกิดขึ้นมาปุ๊บรู้ทันเกิดขึ้นมารู้ทันไม่มีพิษสงไม่มีพิษสงต่อไปเรียกว่า ร, รักษา ศีลด้วยการมีสติรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นในใจง่ายพอเป็นอย่างนี้เนี่ยได้ทั้งศีลด้วยได้ทั้งภาวนาด้วยถ้าทำบุญเป็นเนี่ยได้บุญง่ายทางทาบุญเป็นนได้บุญง่ายพระพุทธเจ้าบอกว่าคนดีทำดีง่ายคนเลวทำเลวง่ายโยมทำบุญง่ายไหมต้องง่ายนะ มันมีความชำนาญในการทำทําบุญบ่อยๆจะมีความชำนาญในการทำบุญนะทำบาปบ่อยๆจะมีความชำนาญในการทำบาปจะรู้ช่องทางรู้เทคนิคนะคนคนคิดจะหลบเลี่ยงเนี่ยมันจะรู้ช่องทางในการหลบเลี่ยงนะจะรู้เทคนิคว่าทำยังไงให้เขาจับไม่ได้นะ ทำยังไงที่จะไปทางนี้แล้วเขาจับไม่ได้ได้แล้วได้ของสิ่งนี้มาหรือว่าได้หลบงานโดยที่เจ้านายจับไม่ได้มีความชำนาญในการทำถ้ามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บอกต่อคนอื่นให้รู้วิธีเลี่ยงแบบนี้ก็มีอา น, นิสงส์มากขึ้นแต่อา น, นิสงส์แบบทางลบใช่ไหมชักชวนคนอื่นให้ทาผิดด้วยทำตัวเองให้เป็นมิรชั่วดังนั้น จะเลือกคบใครจะทำอะไรก็ต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนอยากจะมีเพื่อนดีทำตัวเองให้ดีก่อนทำตัวเองให้เป็นมิตรที่ดีก่อนเป็นกระยาณในมิตรก่อนแล้วคนที่เขาอยากดีจะมาคบกับเราเองบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้ามันเคยได้ยินประเภทว่าถ้าเราครบกับใครเราจะเป็นอย่างนั้น บางทีก็อ่านพุทธพจน์ประมาณว่าถ้าหาเพื่อนที่ดีไม่ได้ให้ไปคนเดียวถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านศีลให้หาคนที่เขามีศีลและเขาไปคบกับเขาถ้าอยากจะมีสมาธิให้คบกับคนที่เขามีสมาธิอยากมีปัญญาให้คบกับคนที่เขามีปัญญาแต่ถ้าเราก็ศีลก็ไม่ค่อยมี แล้วไปคบกับเขาเนี่ยเขาจะคบกับเราไหมเราเนี่ยอยากมีปัญญานะไปแล้วก็ไปพูดจ่อเพอเจอร์เขาจะคบกับเราไหมไม่คบใช่ไหมคนมีปัญญาก็เขาก็เลือกคบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปหาคนดีมีปัญญาคนดีมีศีลคนขยันเราอยากจะคบเขาเพื่อพัฒนาตัวเองหรือเปล่า หรืออยากจะเพียงแค่เกาะถ้าเราไปเกาะเขาเนี่ยเขาก็เขี่ยเขามีสิทธิ์เขี่ยัหมมีสิทธิ์เพราะว่าเป็นภาระของเขาดังนั้นเวลาเราเข้าไปเนี่ยคบคนที่ดีกว่าเราเหนือกว่าเราเพื่อที่เราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยนะก็ต้องคบเพื่อพัฒนาตัวเองเห็นเขาทำอย่างนี้ดูซิว่าที่เขามีศีลขึ้นมาก็ เขามีแง่มุมในการมองโลกแบบไหนจึงรักษาศีลได้เขามีการระวังตัวยังไงเขาคบคนแบบไหนเขาใช้ชีวิตยังไงต้องไปเพื่อพัฒนาตัวเองและต้องไม่ไปถ่วงเขาด้วย <c oughs> เวลาเวลาคนมาวัดหรือมามาเจอกันในในที่ปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะจะมีปัญหาอันหนึ่งคือมารู้จักกันแล้ว ไปคบคุ้นกันแล้วก็ไปตั้งกลุ่มเมากันตอนมาวัดครั้งแรกรนะู้สึกสงบสงบนมาบ้านจิตสบายทีแรกก็สงบสงบนะเพราะไม่รู้จักใครฉันก็ภาวนาอาจารยไปสงบสงบเพราะโอ้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็สงบไหนะลองไปทําความรู้จักคบคุณเขาสิชวนคุยกันทั้งคู่เลยไม่สงบเลยเป็นอย่างนั้นไหม ดังนั้นเวลาจะคบกันเนี่ยทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีของกรรันและกันด้วยถ้าคบแล้วตกต่มด้วยกันกันคู่กเ็เว้นระยะไปสักพักบ้างก็ได้บางทีครูบาอาจารย์ก็แนะนำนะบอกว่าก็ต้องปรีกวิเวกบ้างบางทีคำว่าปรีกวิเวกของท่านก็คือว่ า, าอย่าไปคุยกันมากเวลาพูดท่านก็พูดแบบไม่ให้เชื่อเฉอ น, น้าใจมากเกินไปปลีกวิเวกบ้างนะอย่าไปอะไร ครุกคลีอย่าไปคลุกคลีกันมากนะักมันเสียเวลาและเสียเวลาจริงๆสมมุติว่าเราจะมีชีวิตอยู่กี่ปีดีเสียเวลาไปมันก็เสียเวลาไปแหละวันนี้สองชั่วโมงคุยกันอร่อยเสียเวลาไปสองชั่วโมงเสียเวลาไปเนี่ยมันไม่ใช่เสียเวลาแบบเวลาหมุนไปเฉย เราทําระหว่างการคุยเนี่ยมีมีบุญเกิดขึ้นมากหรือว่ามีบาปเกิดขึ้นมากบุญกับบาปบางทีก็แยกไม่ออกมีกุศลเกิดขึ้นมากหรือมีอกุศลเกิดขึ้นมากบอกแล้วในข่าวที่แล้วว่าอากุศลเนี่ยมันมีระดับหลายระดับอกุศลอย่างห ย, ยาบๆเลยก็คือว่ามีกิเลสจนกระทั่งไปทําผิดศีลอย่า ง, างกลางๆก็คือ มีกิเลสตัวหยาบๆเช่นโลภโกรธหลงขึ้นมาในใจกิเลสแ่างละเอียดเลยหรืออกุศลอย่างละเอียดเลยขั้นละเอียดเลยคือไม่มีสติมีความพอใจขึ้นมาไม่มีสติพูดถึงคนนั่นขึ้นมาฮะฮอะไรนะจิตส่งออกไปถึงคนนั้นแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วใจลอยไปแล้วจิตมีการทำงานแล้วไม่รู้ตัวขณะนั้นจิต สะสมอนุสัยลงไปแล้วนะมีราคาอนุสัยบ้างมีปฏิคาอนุสัยรู้จักไหมราคาอนุสัยคือมีความพอใจแล้วไม่รู้ตัวจิตเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอนะจิตตรงนี้มีราคะมีราคาอนุสัยขึ้นมาแล้วก็ดับไปฟังเรื่องนี้แล้วมีราคะขึ้นมาพอใจราคะนี่ไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะมีความพอใจมีความพอใจขึ้นมาและไม่รู้ตัวดับไปตอนดับมันไม่ใช่ดับเฉยๆนะ มันเซฟข้อมูลด้วยตอนเซฟข้อมูลนี่แหละมันเซฟในรูปแบบของอนุสัย <c oughs> มันเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วหน่วยความจำของมันเนี่ยอินฟินิตี้ไม่จำกัดเมกเก็บไปเรื่อยๆอนุสัยมันจึงสะสมไป ม, มากเวลาคนที่เก็บราคานุสัยไปมากเนี่ยมีอะไรน่าพอใจหน่อย มีราคะขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาในในจิตเห็นอันนี้น่าพอใจดูคนนี้หล่อจังมีราคะขึ้นมามดูคนนี้สวยจังมีราคะขึ้นมาแม้แต่ดูดอกไม้ก็มีราคะขึ้นมาคนที่สะสมเซฟข้อมูลด้วยจิตที่เป็นโทสะก็เซฟข้อมูลบางทีไม่ถึงกับโทสะแค่งหงุดหงิดนิดหน่อยก็เรียกว่ามี ปฏิคานุสัยปฏิฆาไปว่าความหงุดหงิดความไม่พอใจเล็กน้อยเซฟข้อมูลลงไปแค่หงุดหงิดก็เซฟเป็นปฏิคานุสัยเซฟไปมากๆเห็นอะไรก็ไม่พอใจคนนั่งไม่ดูเนี่ยแหว่งแหน่าจะมาให้มาเต็มๆข้างหน้าให้ทําไมปล่อยให้แหว่งอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าแค่เห็นแค่นี้ก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่าสะสมปฏิคานุสัยเอาไว้ มันก็ภาพนี้แหละแต่คนอีกคนนึงโอ้โหคนเยอะจังเลยเต็มล้นไปถึงข้างหลังเนี่ยใช่ภาพเดียวกันเนี่ยมองไม่เหมือนกันคนหนึ่งมองแบบว่าหงุดหงิดอีกคนหนึ่งมองแบบแช่มชื่นใจเพราะสะสมอนุาสัยไว้ไม่เหมือนกันถ้าไม่อยากให้มันมีอนุาสัยมากๆให้มีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิต เมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตแทนที่จิตตรงนี้จะเซฟเอาอนุสัยลงไปคราวนี้เซฟเอาสติเข้าไปด้วยรู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตรู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตไอตัวรู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตเนี่ยเรียกว่ามีสติแล้วสติไม่จะเป็นต้องมีจำนวนมากเท่ากับอนุสัยที่เคยเซฟเอาไว้เข้าใจไหม αι? นี่คืออานิสง ที่นึกไม่ถึงกุศลมีกำลังมากกว่าอากุศลด้วยแง่นี้เราสะสมอนุสัยมาเนี่ยนับพบนับชาติไม่ท่วนในสังสารวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตั้งแต่คิดว่าจะมาะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลา20อสงไขยกระแสนับมาได้รับพยากรว่าจะเป็นพุทธเจ้าแน่ๆ เมื่อคราวที่เป็นสุมเมธดาบทที่เราคนไทยเรียกว่าสุมเมศสุมเมธนะสุมเมธดาบทเนี่ยรับพยากรจากพระพุทธเจ้าทีปังกรสอสงไขกระแสนกลับคือนับกลับยังนับไม่ท้วนเลยอสงไขยคือนับไม่ไหวลวอะอะไปว่าไม่สังขยาคืนการนับนะอะสงไขยหรืออสังขยาเนะี่ยนับไม่ได้นับไม่ได้สครั้งเราก็เกิดน้อยกว่าพระพุทธเจ้าไหม ก็นับไม่ได้สะสมอนุสัยมาเนี่ยนับไม่ได้แต่พอเจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะพระเจ้าบอกว่าอย่างมากเจ็ดปีเห็นกำลังของอกุศลกับกุศลไการเจริญสติเป็นกุศลเป็นมหากุศลอย่าประมาท อย่าคิดว่าการเจริญสติเพียงนิดเพียงหน่อยเนี่ยจะไม่มีผลแล้วก็อย่าประมาทว่าใจลอยเพียงนิดเพียงหน่อยไม่มีผลใจลอยไปเนี่ยไม่มีสติสะสมมโนสายไปแล้วแต่พอมีความรู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจิตมันเก็บข้อมูลจิตมันเห็นของจริง ตอนที่เห็นอะไรต่างๆแล้วบอกนั่นนาฬิกาอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าอะไรอันนี้ก็เรียกว่านี่ไมโครโฟนอันนี้ดอกไม้อันนั้นกล้องวิดีโออะไรเงี้ยเห็นต่างๆแล้วเรียกชื่อไปเนี่ยเป็นสมมุติทั้งนั้นแม้แต่เรียกชื่อเรียกชื่อคนก็เป็นสมมุติแต่ถ้าเห็นเห็นนะแล้วรู้ว่ามันเป็นแค่แสงเข้ามากระทบตา ดูยากมากเลยคนที่จะเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่าเป็นแสงกระทบตาเนี่ยนะดูยากมันต้องประมาณว่าระดับศิลปิน <laughs> คนวาดรูปเนี่ยเวลามองอะไรเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสีเนื้อนี้ต้นไม้นี้สีอย่างนี้ก็จะไปจิ้มภูการจิ้มสีแล้วก็แต้มแต้มแต้ ม, ต ม, มองมองสิ่งที่เห็นเป็นสี มองสิ่งที่เห็นเป็นสีแต่เรามองเนี่ยเวลามองไปต้นไม้แม้แต่มองไอ้รูปที่เขาวาดเออสวยดีเหมือนต้นไม้จังเลยท่านจึงบอกว่าคนที่จะมองอะไรให้ว่าเป็นแสงสีเข้ามาเนี่ยมองยากต้องผ่านสมาธิมาก่อนเป็นสมถะญาณิกพวกเราไม่ได้สมถะญาณิกบางคนไม่ใช่สมถะญาณิกก็อย่าน้อยใจนะให้อตามาน้อยใจบุญคนเดียวพอ อย่าไปน้อยใจเรามีวิธีที่จะพัฒนาตนเองได้อีกแบบหนึ่งเราไม่ใช่สมาธิยานิสเราก็เป็นวิปัสสนาญาณิกก็ได้ก็คือว่าเห็นอะไรก็เห็นไปแหลแหละเห็นแล้วชอบใจรู้ทันความชอบใจเห็นต้นไม้นั่นแหละไม่ต้องไป เ, เขาเรียกว่าอะไรดัดจริต <laughs> ไม่ใช่ด่านะคือมันมีจริตในการเจริญสติอยู่สองแบบเขาเรียกว่า ตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตก็คือว่าพวกที่เป็นสมถยานิกเวลามองอะไรจะมองได้นานๆมีความพอใจมีความชอบใจเห็นแล้วเกิดสมาธิได้ง่ายพวกนี้เนี่ยเวลาเห็นเนี่ยสามารถทำสมาธิได้แล้วสามารถมองเห็นรูปคือมองเห็นแสงสีแยกออกได้ง่ายกว่าคนที่คิดมาก พวคิดมากจะมาดูแล้วก็มันก็คิดอ่ะพยายามคิดคิดแยกมันไม่เห็นสภาวะแท้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เห็นไปเห็นต้นไม้เห็นไปแล้วเกิดความพอใจรู้ทันความพอใจรู้แล้วเห็นแล้วไม่ชอบใจรู้ทันความไม่ชอบใจรู้แล้วเกิดโทสะให้รู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นเพราะโทสะก็เป็นสภาวะอันหนึง่งเป็นนามธรรมคราวนี้ไม่ได้เห็นรูปธรรมละคราวนี้เห็นนามธรรมา เห็นนามธรรมาก็เป็นที่ตั้งของสติได้สติปัฏฐานมีอยู่สอย่างกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเห็นกายเห็นกายในกายเห็นกายเนี่ยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นเวทนาในเวทนาสองอย่างนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสมถะญานนี้คือต้องผ่านสมาธิมาก่อนจะเห็นกายเป็นกายได้เห็นแสงเห็นแสง ไม่เห็นว่าเป็นต้นไม้เวลาดูไม่เห็นว่าเป็นมือเวลาสัมผัสไม่ได้เห็นว่าเป็นมือแต่รู้สึกว่าสัมผัสถึงธาตุดินน้ำลมไฟมนี่นะเราจับไปก็มือนิ่มจังมันมีหนังไทยอยู่ยุคหนึ่งนะเวลาจับมือผู้หญิงมือคุณนิ่มยังกับอะไรนะก้นเด็ก <c ười> ใครใครทันอันนี้ไหม มือคุณนิ่มเขาไม่ใช่ควาว่าก้นนะขออภัยเขาใชวา่ามือคุณนิ่มยังกระตูดเด็กอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าสัมผัสธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่เลยสัมผัสไปแล้วนึกถึงตูดเด็กถนึกถึงตูดเด็กอย่างนี้เลยว่าพวกนี้ต้องไปดูจิต สัมผัสแล้วเกิดราคะให้รู้ทันราคะขึ้นมาสัมผัสแล้วไม่ชอบใจให้รู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นบางทีสัมผัสแล้วเกิดทุกข์ดูเวทนาก็ได้หรืออยู่ในสภาวะนี้แล้วมีทุกข์ใจรู้ขาวอันนี้แล้วทุกข์ใจให้รู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจทุกข์ก็เป็นทุกข์ในใจนี่ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งที่จะรู้ได้เรียกว่าเวทนา มีโทสะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ประกอบในจิตอันนี้เรื่องของการดูจิตแลละมีราคะมีโทสะมีโมหะเกิดขึ้นในใจพวกนี้เหมาะสำหรับคนที่คิดมากทำสมาธิไม่ค่อยได้คิดมากก็ดูราคะที่เกิดขึ้นในใจดูโทสะที่เกิดขึ้นในใจดูโมหะที่เกิดขึ้นในใจตรงนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานดูจิตในจิตตามดูไปคนที่มีปัญญามากขึ้นก็ดูเป็นชุด ดูเป็นชุดมีทั้งเวลาดูก็เวลาดูดูกายไม่ดูกายอย่างเดียวนะดูเป็นขันห้าดูว่ามีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาดูกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจมันขวางก็ดูเป็นนิวร น, นิวณ์รู้จักนิวรณใช่ไหมนิวรณ์มีกี่อย่างมีห้าอย่างมีอะไรบ้างมีนะ กามฉันทะกามฉันทะแล้วก็มีพยาบาทมีอะไรอีกอุทะจะกุกุจจะวิจิกิจฉาแล้วก็อะไรถีนามิทธะไม่ได้เรียงนะแต่ให้ครอบผ้าก็แล้วกันเมื่อวานไปพูดที่วัดยานาวาพอพูดถึงวิจิกิจฉาก็เลยนึกขึ้นไม่ได้ว่ามันมี วิจีกิิชา้าเป็นความสงสัยความสงสัยในการหาคำตอบจิตมันจะคล่องในการหาคำตอบคล่องในการหาคำตอบมันจึงไม่รู้ตัวจิตมันส่งออกส่งออกฟุ้งไปหาคำตอบ <c oughs> เคยเป็นไหมเคยนะตัวนี้เป็นตัวขวางทำให้ไม่เกิดสมาธิแต่ตัวหาคำตอบเนี่ยมันมีอีก ไม่ใช่ว่าสงสัยทุกอย่างเนะมื่อวานไปถามเขาว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกว่ารู้รู้ไหมว่าอัวเป็นลูกไคเคยโดนถามนี้ไหมคุณรู้ไหมว่าผมเป็นลูกไคช่วยเร่งช่วยรัดคิวให้ผมหน่อยประมาณนี้นะถ้าถามอย่างนี้ไม่ใช่นิวรนเพราะมันรู้อยู่ว่ามันเป็นลูกใคใช่ไหมแต่มันถามเพื่อจะปวดเบงใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นิวร อ, อันนี้วร ไอ้นีวอนไม่ใช่นนีวอนนั้นคำถามทุกคำถามไม่ใช่นีวอนไม่ใช่วิจิกิจชาเสมอไปไปถึงไหนแล้วเนี่ย <laughs>